فوجد الله عنده فوفى حسابه فوجد الله عنده فوفى حسابه والله سريع الحساب والله سريع الحساب อ w วะกะโหลมติมฟีบาหรือลุดจียอชะอูมเอาจุ่มมีมเฝ้าติยอชะอูมเอาจุ่มมีเฝ ف ้าุกิฮีเม و จุมมิฟ้าุกิฮีสัพบ์โวลุมาตุมบาต إذا أخرج يده لم يقدرها و م ن ل َ م ي ج ع َ ل ا ل ل َ ه ل َ ه ن و ر ي وَمَن ل م ي َ ج ع َ ل ا ل ل َ ه ُ ل ه ن ر ف م َ ا ل َ ه م ِ ن ا ل ُ ن و ر ألم ت ر َ أن الله يسبح له من في السماوات والأرض؟ ัวต ا ลสาฟาัวติล ا ف ฟา كلهم قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون والله ب ا بما يفعلون وللله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير وإلى الله المصيرألم ت ر أن الله يزجي سحابة؟ألم ت ر َ أن الله يزجي س ح ا ب ا ثم يؤلف ي ب ن ทั م งที่เขาจะไม่ได้รับการช่วยเ ل ا ل ه วันั้นจะมีผَ้มาถึงในวันนัَ้ ي ص ر ف ه عم يشاء. يكدسنا بضييه ذهب بالابصار. يكدسنا بضييه ذهب بالابصار. اسم الله الرحمن الرحيم.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 ال l a h u m ا, أ و b i ن a a s b a h ا a ن a b i k a ر m s a y n a w a b i ا ل ل a ا ل a w a ا i k a namatu wa i l a ا k a ا nushur a a n z ل b i ل م limatillahi t a m a ا i m i n s a r i ا a khalaq b i s m س l l a h i al-ladhi la y ل d u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 سبحان الله و بحمده عدد خلقه وربا نفسه وزينة عرشه وبداء كلماته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมนมัสยิดรุ่งอรุ a ที่บ้านของอัลลอฮ์ที่รักทั้งหลายครับอัลฮ์มลล์ตอนอ่นนะครับทุกคน จะต้องน้อมราลึกถึงอัลลอสุบฮานาวูวาตาลด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์พอการรำลึกถึงอัลลอฮฺนั้นทำให้หัวใจของท่านเนี่ยเกิดความสงบพอความสงบหาได้ไม่ใช่เพราะมีบ้านใหญ่ๆความสงบจะหาได้เพราะใช่มีรดหลายๆคันความสงบจะหาได้ไม่ใช่เพราะว่ามีเงินทองเยอะ แต่ความสงบในหัวใจจะเกิดขึ้นได้นั้นด้วยการรำลึกถึงอัลลอ์อย่างเดียวเท่านั้นขอบคุณอัลลอส์ س ب ح ا า ه ะตอาลานะครับที่เราได้ทบทวนอัลกุรอานวันนี้มาถึงสุราที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าปีแล้วครับมาถึงสุรา อันอนูรันนห ร, รือแปลว่ารัศมีหรือแสงสว่างท่านัยนาอุมตรระตุยย์ ล, ล้ออนหูหเนี่ยได้เขียนจดหมายตอนที่ท่านเป็นคลรยาไปหามุสลิมทั้งหมดนี่แหละครับสั่งให้พ่อบ้านให้บอกภรรยาบอกให้เรียนให้ศึกษาให้ลูกสาวเนี่ยศึกษาสุร้อนนี้เยอะๆให้อ่านสุร้อนี้ ขอสุรนุชเนี่ยมีเรื่องมารยาทเรื่องอัคราเ อ, อาดาบต่างๆที่อัลลอสอนอยู่ในการ์รีุองอัลกุรอานะนั้นให้พยาลูกสาวหลานสาวเนี่ยได้อ่านกรุรอานสุรนี้นะครับแล้วก็นำเอาความรู้จากสุรนี้ไปปฏิบัติ <c oughs> อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะเราได้อ่านแล้วเราก็ ด้รับความเข้าใจนะถ้านำเอาไปท่องจำด้วยจะมีประโยชน์มากเลยนะแต่ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยเราก็ได้ได้ยินว่าท่านนาบีสอนอย่างนี้อัลลอฮว่าอย่างนั้นทำตัวดีเราก็ขอเล่าสักนิดหนึ่งนะริจารุลลาตุลฮีฮิมติจารุตุนวาลาบายอุนแอนซิกริลลบุรุษหรือว่าผู้ชายผู้ชายที่ ทำการค้าผู้ชายที่ทํามาค้าขายอยู่ที่ตลาดเมื่อถึงเวลานมาศเนี่ยเขาทิ้งการค้าของเขาแม้แต่ขณะกําลังช่างของอยู่นี่นะจากฮะดีสมีหลายฮะดีษนะกาลังช่างของอยู่เมื่อจะยินเสียงอาจาร์ที่มัสยิดเขาเอาตาช่างเนี่ย ว, วางบอกไปนมาศก่อน นี่จะหากว่านักค้านักขายอยู่ที่ตลาดทำตัวแบบนี้เนี่ยนะอัลลอฮ์พอใจอัลลอฮ์พอใจใครกูอานถึงได้ดเตือนบอกว่าลาตุลฮีฮิมตีจารตุนวะลาบอุนอันดิกริละอย่าทำให้การค้าของท่านเนี่ยเป็นเหตุให้ท่านเนี่ยำห่างจากกา ร, รํำลึกถึงอัลลอฮ์ค้าขายจนจกระทั่งไม่มีเวลาได้ รำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่มีเวลาได้นามาตไม่มีเวลาจะอ่านอลัลกุรอานไม่มีเวลาทําอะไรเลยได้แต่ค้าขายอย่างเดียวเอาเงินอย่างเดียวเมวื่อวานนี้มีมุสลิมมากคนหนึ่งโทรพท์มาเขาเล่าบว่าเดืรรดอนรอมฎอนเขาอ่านกุราอานได้ประมาณสามจบเป็นคนค้าขายอยู่ในตลาดผมถามว่าอ่านยังไงวิธีอ่านอ่านยังไงเวลาคนมาซื้อของก็ซื้อขายเวลาคนไม่มา มาเดี๋ยวพาคุรอ่านไว้นะตัวนี้มีโทรศัพท์ใช่ไหมนะ่ะอ่านอ่ารู้ความหมายด้วยอ่านไปดูความหมายไปอ่านสามจบนี่ไงบุคคลตัวอย่างที่ดีคนหนึ่งแล้วก็เป็นได้เวลาปั๊บนำมาเลยมาที่ไหนนำมาในร้านนั่นแหละนำมาเลยเอานำมาก่อนคนจะมาซื้อของมาเห็นกําลังนมาอยู่ก็รอได้ไม่มีปัญหาจานั้น นมาศกับการทำมาค้าขายนี่นมาศ ต, ต้องมาก่อนการค้าขายนี่เป็นที่สองเป็นรองลงมานะครับ <c oughs> ขอบคุณนล้อนะครับ <c oughs> ที่เราได้มาอ่านคุรานแล้วก็วันนี้มาถึงอายาที่สามสิบเก้านะครับ والذي نكفروا أ ع م ا ل ه ม كسراب باقيا ย حسبه ُ الله أنما آن حتى إذا جاءه ُ لم يجده ش ي ئ ا و َ ج َ د َ الله عنده َُ فوفه ََُّ حساباً والله سريع الحساب الحمد لله والذين كفروا أعمالهم كسراب ك س ر ا ب ب ق ي ع ت يحسبه الضمآن ما حتى إذا جاءه ل م يجده ش ي ئ ا ووجد الله عنده فوَفَّه حِسَابَهُ َ ا ل ل َّ ه ُ سَرِيعُ الْحِسَابِ اللَّهُ أَكْبَرُ قرآن อยานีต้องการจะเล่าให้คนที่อ่านคุรานบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดให้รับรู้บอกว่าการงานของคนกาเฟ คนในโลกนี้มีคนอยู่สองกลุ่มเท่านั้นนะแต่ศาสนาเนะี่ยมีเยอะเอาแค่แค่สองกลุ่มก่อนนะกลุ่มที่ إ ي م านกับอัลลอฮ์กับกลุ่มชนที่ไม่มี إ ي م านต่ออัลลอฮ์กลุ่มไม่มี إ ي م านต่ออัลลอฮ์เนี่ยรวมแล้วมันต้องห้ากลุ่มอีมานอิมานเหมือนกันแต่อิมานไม่ถูกต้องอกคดีดาผิด เ, เช่นอิมานต่ออัลลอฮ์แต่ไปเชื่อว่านาบีอิสลาเป็นลูกอัลลอฮ์อย่างนี้เรียกว่าอิมานถูกหรือผิด พิมานผิดอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าฉันนี่ เ, เชื่ออัลลอฮ์แต่ไปเชื่อว่าอูเจสเป็นลูกของอัลลอฮ์สองกลุ่มไม่ใช่มุสลิมการอีมานของเขาอากิดาของเขาใช้ไม่ได้อย่างน้อยก็มีอยู่ห้ากลุ่มเนี่ยกาเฟตมุชลิกมูนาฟิกยะฮูดีนัสรรณีหกลุ่ม ทีนี้อ ab, ัลลอฮ์บอกกับนบีแล้บอกกับคนที่อ่านอัลกุรอานบอกว่าวันละีนะกาฟารูแท้จริงนะครับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธกาฟารูแปลว่าปฏิเสธวันละีนะกาฟารูส่วนบรรดาผู้ที่ปฏิเสธนั้นอามาลูหุมการงานของพวกเขา มาจากอา말อา말เนี่เนี่ยอามานี่เป็นคำประหุพจน์อามาลุนอามาลานี่อามาลการงานของพวกเขาเหล่านั้นกาสารอบินก้าแปลว่าเหมือนหรือว่าประหนึ่งอุปมาอุปมาอมาอุปมาได้ก้าแปลว่าเสมือนหรือประหนึ่งซาโรบินนี่แปลว่าภาพลวงตาซาโรบแปลว่าภาพลวงตา ภาพลวงตางอธิบายยังไงสรอบนี่ทับทิศอธิบายบอกว่าอะไรนะเหมือนกับพยับแดดตอนเนียประมาณสิบสิบโมงสิบเอ็ดโมงตอนเที่ยงตอนบ่ายเนี่ยคนที่เดินอยู่กลางทะเลทรายหรือเราขับรถมองไปข้างหน้าเนี่ย เหมือนมันมีเป็นพยัพแดดใช่ไหมล่ะออกมาจากอะไรนะแสงของทะเลทรายหรือของกถนนก็ได้มองดูเหมือนกับมีเป็นแองอะไรนะแองน้ําเคยเห็นใช่ไหมอันหนีงเรื่องจริงหมดเลยเนี่ยคนที่ขับรถเห็นหมดพอเห็นแล้วได้ข้อคิดอะไรบ้างนี่ครูอ่านสอนเราคิดแล้วนั่นเ ร, เรียกว่าสารอบเป็นอะไรนะ เป็นภาพลวงตาอัลลอฮฺอักบะดบาตีอาตินบาตีอาแปลว่าที่ราบลง่งที่ราบโลง่งมายถึงเนี้ยทะเลทรายเห็นทะเลทรายโ อ, อยวางอยู่เห็นอยู่ขับรถไปเจอเดินไปก็เห็นเห็นเห็นฮะบีอาบาตอบาตีอาแปลว่าที่ราบโลง่งที่เตีย น, น, นไม่มีอะไรเลยต้นตไม้ไม่มีบีตีอาอบีตีอา ที่ราบลงยาสบบูหฮาซาบายาสิบ ah ุแปลว่าเขาคิดใครคิดครับออมอันคนที่หิวน้ำคนที่กระหายน้ำคนที่กระหายน้ำเนี่ยเวลาเห็นภาพลวงตาเหล่านี้นึกว่าเป็นมาอันเป็นน้ำจริงั้ยครับจริงครับ ยาเซบุฮุซอมอานูมาอคนหิวน้าถ้าเดินอยู่หนกางทะเลทรายเนี่ยมองไปข้างหน้าเนี่ยเหมือนเป็นแอ่งน้าอยู่ข้างหน้านะครับยิ่งหิวน้าด้วยอเดินไปเดินไปเดินไปหวังจะไปเจอนางข้างหน้าฮัตตาอิาจาฮจนกระทั่งฮัตตาจนกระทั่งอิาเมื่อ เมื่อเขาจะอาหูไปถึงมันเดินไปพอไปถึงแองตรงนั้นแองหายลำยาจิตหูไม่พบอะไรเลยลำยาจิตหูชัยอันไม่พบอะไรบางกนว่า น, น้ําไม่มีพอไปไปน้ํามันก็หายย้ายไปอยู่ไกลไปอีกเดินไปอีกย้ายไปอีกเดินไปอีกย้ายไปอีก ต้องการจะอธิบายให้คนที่อ่านกูร์รานบอกให้ท่านนาบีรับรู้ว่าการงานของคนกาเฟตกับการงานความพูดสัทยาต่ออัลลอฮ์นั้นไม่เหมือนกันเอาการงานของคนกาเฟตที่อัลลอฮ์ไม่รับรองมีแสดงว่าอัลลอฮ์รับรองไม่รับรองอัลลอฮ์ไม่รับรองคือทําแล้วผลละบุญไม่มีทําแล้วรางวัลไม่มีในโลกอาคีรอ้อนนะทําแล้วรางวัลในโลกอาคีระ อ, อนอัลลอฮ์ไม่ให้เหมือนกับ ท่านพี่น้องทั้งหลายนี่นะครับรถยืดเดินอยู่ในทะเลทรายเห็นข้างหน้าเนี่ยเป็นภาพลวงตาเหมือนกับแอ่งน้ำคนที่หิวน้ำเนี่ยนึกว่าฉันเจอแอ่งน้าไปได้กินน้ําได้พอเดินไปมันย้ายที่ไปอีกจะย้ายที่ไปอีกนี่ก็เรียกว่าภาพลวงตาคนคาเฟ่ทําอะไรบ้างที่คิดว่าตัวเองจะได้ผลบุญตอบแทนจากอโลโอโหมีอะไรบ้างที่ต้องจําได้มาเนิ เออทาทําซอโดก็ทําบุญเอางเงินบริจาคบริจาคบริจาคคนคนกาเฟทํำไหมทำครับทุกวันนี้ก็ทํานะสมัยท่านนาบีคนกาเฟรก็ทํานะแล้วทำอะไรอีกติดต่อกับเครือญาติไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมพี่เยี่ยมน้องเอาของไปให้ทําบุญกันอะไรกันติดต่อกันมีไหมคนกาแฟก็ทํานะ มุสลิมก็ทําแต่มุสลิมทํานี่ได้ผลลบุญในโลกอาคีรอส่วนกาเฟสทําผลบุญในโลกอาคีรอสไม่มีต้องการจะอธิบายตรงนี้แล้วทําอะไรอีกครับดูแลใบตุลโลคนกาเฟสในรุ่นสมัยนบีเนี่ยดูแลใบตุลโลด้วยแล้วก็ดูแลคนที่มาประกอบพิธีฮัสมาทำฮะจีเนี่ยเขาดูแลเรื่องน้ําเอาน้ำให้คนทำฮะจี พวกเขาคิดว่าสี่ห้ารายการที่เขาทำเนี่ยเขาจะต้องได้รับรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์แน่นอนในโลกอาคีรอคิดอย่างนี้แต่อัลลอฮ์ตอบนักเนิมฟีกุณอ่านบอกว่าไม่ได้สาเหตุที่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าพื้นฐานแรกอะกีดาแรกคือไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์มีอะกิดาแรกก็คือไม่เชื่อวันอาคีรอมีอะกิดา พื้นฐานแรกไม่เชื่อว่าตายแล้วต้องฟื้นแล้วก็ไม่เชื่อว่าตายแล้วเมื่อฟื้นแล้วจะถูกอะไรนะถูกตอบแทนรางวัลถ้าทำดีจะได้ดีทำชั่วจะได้ชั่วคนกราฟเฟตไม่เชื่อวันนี้ก็เหมือนกันไม่เชื่อถึงเมานาบุลละซันชอบเขียนในหนังสือกับท่านก็บอกว่าในยุโรปเนี่ยคนมีกาศรศื่อสาดีส่วนใหญ่ดีหมดน่ะ แต่ความรู้ที่เขามีนั้นไม่โยงกับอัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตาลาเลยคําว่าไม่โยงก็ใจใช่ไหมมีความรู้ทั้งหมดนี่นแหละรู้เรื่องทำอย่างงี้ทํางี้ได้อย่างนี้ทำอางี้ได้อย่างงี้ทั้งรู้หมดเลยแต่ความรู้ที่มีอยู่เนี่ยไม่โยงกับอัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตาลาฉะนั้นความรู้ของใครก็ตามแต่ที่มีอยู่แล้วไม่โยงกับอัลลอฮ์เป็นความรู้ที่ไม่มีประโยชน์ บางทีก็มีความรู้แต่กินเหล้าใช่ไหมมีความรู้ทำดินาใช่ไหมมีความรู้โอ้สารพัด ท, ทำทุกอย่างที่ตัวเองชอบใช่ไหมแสดงว่าความรู้ที่เขามีอยู่นั่นเป็นความรู้ที่ไม่โยงกับอัลลอฮ์สุบฮานะหัวดารามาดูคนที่ إ ม م ا ن ต่ออัลลอฮ์เนี่ยนะครับมีอ إ ي านแล้วก็มีความรู้พอมีความรู้มี إ ม م ا ن เนี่ยโยงกับอัลลอฮ์นี่นะทุกคนอัครากดีกันหมดเนะสังเกตนะ แต่งตัวก็ดีพูดจาก็ดีอัตลากดีนิสัยดีเจอผู้หญิงสวยๆเข้าตาก็รมาการลบไม่ยอมมองอะ่ะเจอของตกตามถนนไม่เก็บเมื่อก่อนเนี่ยเก็บพอมีอิมาแล้วก็มีความรู้อิสลามพ่วงไปด้วยนี่นะเขาไม่เก็บไม่เก็บของตกอะ่ะจะเป็นเงินหมื่นเป็นแสนพ่าก็ไม่เก็บพอเก็บแล้วมันเป็นภาระอะ่ะ จะต้องประกาศอาณาชาติกับตัวเองก่อชายไม่ได้นี่ไงความรู้ที่มีประโยชน์ที่โยงกับอลัลลอฮ์เนี่ยจะควบคุมตัวเองไม่ให้ทําบาปตลอดเวลาแต่ความรู้ที่ไม่มี إ ي م านความรู้ที่มยโยงกับอลัลลอฮ์เนี่ยมีความรู้แต่พัฒนาตัวเองให้กล้าชิดกับอลัลลอฮ์ไม่ได้นะครับอัยานี้เตือนนะครับเตือนว่าไงนะแท้จริงคนที่ปฏิเสธนั้นการงานของพวกเขาประหนึ่งภาพ ลวงตาในที่ราบล่งคนที่กระหายคิดว่าเป็นแอ่งน้ำจนกระทั่งเมื่อพวกเขามาถึงมันเขาก็ไม่พบสิ่งใดปรากฏว่าภาพลวงตานั่นก็เลื่อนหายไปไปปรากฏอยู่ข้างหน้าไกลต่อไปอีกเดินไปเดินไปไม่พบอะไรเลย นี่เป็นคำอธิบายของอัลลอ์ให้กับคนที่ปฏิเสธอัลลอ์ปฏิเสธอิสลามปฏิเสธสุนนะนบีปฏิเสธอัลกุรอานปฏิเสธวันอาคิรอปฏิเสตกฎดอก็ได้ของอัลล์การงานของเขาไรผลแต่ถามว่าบนดุญยาที่เขาทำเนี่ยดุญยาได้ไหมอา่าการบริจาคบนดุญยานี้เขาได้ติดต่อกับญาติพี่น้องดุญยาเขาได้ไหมได้ เอาน้ำให้คนกินเอาน้ำให้คนทำพายีกินผลบุญได้ไหมได้เฉพาะ บ, บนดุนยามีคนชมเชยสารเสริญเขายกย่องเขาแต่รางวัลในโลกอาคิระได้หรือไม่ได้ไม่ได้นี่อัลลอฮ์สอนวันการปีอัลกุรอานฉะนั้นเรื่องใหญ่ก็คือเราต้องอีมานต่ออัลลอ์อีมานต่อวันอาคิระอีมานต่อกฎกอรอของอัลลอฮ์อีมานต่ออัลกุรอานและอีมานต่อนบีของอัลล์ ه และ ت ع ا ل นะครับ หรือว ah ่ามักับวะวัจดัลลอฮฺอินดารุฟะวัฟหุฮิซับะวะวัจดัลลอฮฺแปลว่าะครับดังนั้นแต่เขาพบอัลลอฮฺวะวัจดัลลอฮฺละเขาพบกับอัลลอฮฺ อัลลอ์อยู่ใกล้นะไม่พบแอ่งน้ำแต่พบใครพบอัลลอ์เมื่อพบอัลลอ์เขาไม่เชื่ออัลลอ์แล้วจะมีประโยชน์อนะไรฉะนั้นต้องการจะบอกว่าอัลลอ์นี่นะอยู่กับมนุษย์เนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ทุกคนแต่หลายคนหลายกลุ่มไม่เชื่อว่าอัลลอ์เนี่ยอยู่กับตัวเองอัลลอ์ทรงเห็นทรงรู้ทรงได้ยินไม่เชื่อด้า น, นนี่ก็เตือนใจเตือนคนที่อ่านุนอ่านบอกว่าว่ า, วาจะเัลลอ แต่เขาพบอัลลอฮ์อยู่ใกล้กับเขาเอาต่อมาครับฝาว่าฟ้าหูไฮซาบดังนั้นฝาแปลว่าดังนั้นว่าฟาหูพระองค์ทรงเป็นผู้ชําระไฮซาแปลว่าบัญชีว่าฟ้าแปลว่าชําระให้ครบคิดบัญชีให้ครบคิดบัญชีของอัลลอฮ์เนี่ยมันง่ายนิดเดียว นาคุณอ่านบอกว่าออง่ายนิดเดียวร้อยล้านคนเนี่ยแป๊บเดียวมันได้หนักเลยของเราเนี่ยโอ้โหคิดบัญชีลูกเรายังคิดไม่ถูกเลยเราเนี่ยลูกทําอะไรบ้างเนี่ยไม่รู้แต่ของอัลลอฮฺตาลาเนี่ยแป๊บเดียวหมดเลยฉะนั้นอัลลอฮฺเนี่ยคิดบัญชีครบบริบูรณ์นะครับตามการงานของแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนที่ถามไว้คิดบัญชีหมดเลยนะอายาเนี้เตือนไงอัลลอฮฺอยู่ใกล้ อันที่สองอัลลอฮ์เนี่ยชำระให้ครบตามบัญชีการงานของเขาวะลลูซารีอุลฮิซะบะและอัลลอฮ์นั้นซารียระแปลว่าฉับพลันหรือว่องไวซารียระแปลว่านะฉับพลันหรือว่องไวคิดบัญชีแบบไรนะวัยหน้าดูเลยแป๊บเดียวคิดบัญชีจบแล้ว นั่นคนที่มี إ ي م านต่อร้อเนี่ยนึกอยู่สม่ำเสมอในใจตัวเองอาจาร์นี้สอนกี่เรื่องน่ะสามสี่เรื่องน่ะเรื่องที่หนึ่งการงานของคนกาเฟทไร้ผลเรื่องที่สองคนกาเฟทนั้นมองดูความดีที่เขาทํานั่นอยู่ข้างหน้าของเขาแต่พอเดินไปเดินไปเดินไปไม่พบหายหายหายงานของเขาก็เหมือนกันหายหายหาย ไม่มีโ อ, อกาสที่จะได้รับรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ในโลกอาคีรอเรื่องที่สมนะครับอัลลอ์อยู่ใกล้วะบาดเลลออัลลอฮ์ ad ad Allah อยู่กับมนุษย์ทุกคนในกุอานในฮะดิษอธิบา ย, ยงไงรู้ไหมอัลลอ์คือชัยตอนก็นอยู่ น, นะนะวิ่งอยู่ที่ไหนนะในเส้นเลือดและอัลลอ์ไม่ยิ่งกว่านั้นหรอนี่อัลลอ์เล่านะชัยตอนนอยู่วิ่งอยู่ในเส้นเลือดของผู้ท่านนะ แล้วเวลาชัยตอนมาจากกระสิบนะกระสิบที่หายที่หูหรือที่หัวใจกระสิบที่หัวใจกุ้อานอายะายไงอัลลอฮฺดียูวาสฺวีสุฟีสุดูรินนัสใช้ตอนมันมาสร้างความสับสนที่หัวใจไอ้กระสิบที่หูน่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใช้ชตอนอะไรรู้ไหมภรรยาสามีหานะยแล้วฟิฮูนากระซิบกระสิบที่หูตอนแต่งงานใหม่ๆนะ่ะพอแก่แกก็เอ็งแั้งห่างๆนะได้ไหม เพราะแกนะแต่ไม่ใช่พวกเราคนอื่นอัลลอฮฺซาดิอุลฮิซะบะและอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงชับพลันในการชำระการตอบแทนมีฮะดีษครับทย์อธิบายอย่างนี้ในฮะดีษของอิหม่าบูคารีกับมุสลิมบอกว่าในวันกิียมะเนี่ยอัลลอฮฺจะเรียกว่าเชิญก่อน่าเกียรติไปนะแลเรียกนะ เรียกใครเรียกยโฮดีมานี่ถามว่ามากุณตุมตะบุดูนกลุมยโฮดีถามว่าพวกท่านทั้งหลายตอนอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยบูชาใครกราบใครเคารพพักดีใครบรรดากุ่มยโฮดีเนี่ยตอบว่ากุนนาหนะบูดูอูเซลอิบนลาลลอฮพวกเราเนี่ยกราบลูกอัลลอฮฺกราบลูกอัลลอฮฺชื่ออะไรชื่ออูเซล ลูกอัลลอฮ์เป็นเป็นเป็นคนดีคนหนึ่งอะแต่ก็ตั้งตั้งเป็นลูกอัลลอฮ์แบบพวกเยอะนัสรอรีตั้งนบีอินซาเป็นลูก Allah. อัลลอฮ์อ่าแล้วต่อมาครับฟอยุก้อนมีคนพูดมาเลกล้าพูดเลยว่าคุณก็หกกล้าทําไมอะลูกอัลลอฮ์เน่ยเพราะอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีลูกไม่รู้มั้งเหรออัลลอฮ์ไม่มีลูกอกัลลอฮ์ Allah, นู่นจะทางวันในวันเกียรมั้ย อาญาที่ว่ามีลูกนะคุัอัลลฮอฮดอัลลซมดลมยาลิดวะลมยูลดวะลมยุลละหูกฟวันอะฮัดอัลล์ อ, องเดียวอัลล์ไม่มีไม่มีลูกอัลลอ์ไม่พีไม่มีแม่ไม่มีพ่ออัลล์ไม่ประสูตและถูกประสูตและอัลล์ไม่มีอะไรมาเสมอเหมื อ, มอ น, น, นคุณไม่รู้บ้างเลยฟกูลยารอบบกกำลังสนทนากันอยู่ก็บอกว่าอัลลอฮ์เจ้าจาฉันหิวน้ำทุกมาชาดดุนะ ฉันหิวน้ําโปรดข อ, อน้ํามาฉันเดิมหน่อยเร า, าบอกเอาจงมองไปมองก็เป็นเป็นภาพเนี่ยอย่างกุอาญานี้เนะี่ยเป็นภาพเหมือนกับแหล่งน้ําเป็นภาพเอาเดินไปเดินไปเดินไปเดินไปหายค่อยๆหายเดินทั้งวันก็ไม่เจอนี่ต้องการจะอธิบายให้คุณยาฮูดีฟังด้วยว่าที่เองจะทําอะไรวันนี้ก็ตามแต่นะถ้าไม่ทําเหมือนนบีมุฮัมมัดทำแล้วนะ การงานของคุณไร้ผลทั้งหมดวันนี้มีอยู่อย่างเดียวกรับพี่น้องถ้าจะต้องการจะให้อำมันการงานของเรานั้นเป็นที่พึงพอใจของอัลลอ์ต้องปฏิบัติตามอัลลอ์แล้วก็รูปแบบในการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดเท่านั้นนะครับเอาต่อมาอายะที่สี่สิบ أو كظلماتٍ في بحر الودي يغشه موجود من فوقه موجود من فوقه صحاب ظلماتٌ بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل ا لله له نورا فما له من نور الله أكبر أو كظلمات في بحر اللجي يغشه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم ي ك د َ يره ว م ن لم يجعل لله له ن و ล ا فما ه من نور الحمد لله آيات ที่สามสิบเก้เนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับว่าการงานของคนกาเฟ่นั้นไร้ผลตัวอย่างที่หนึ่งเปรียบเสมือนน้ำจะอยู่ข้างหน้าเขาเป็นภาพลวงเตา อันนี้ต้องการจะอธิบายต่ออีกตัวอย่างที่สองนะครับตัวอย่างที่สองการงานของคกราเฟตเนี่ยพี่น้องครับเหมือนอะไรหรู้ไหมกาซูลูมาตินเหมือนเหมือนอะไรนะซูลูมาตนเนี่ยอะไรพี่น้องครับเหมือนความมืด อ่ารุ่มแปล ว, ว่าความมืดนะครับตนหนึ่งความมืดทึบสภาพของคนกาเฟ่สภาพของผู้ปฏิเสธสภาพของคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอาสุนนะนบีไม่เอากุรานไม่เอาอิสลามไม่เชื่อโลกอาคิอรอไม่เชื่อเรื่องกรอ ก, กรดัดไม่เชื่อไม่เรื่องนบีทั้งหมดนั้นการงานที่เขาทำนั้นเช่นอะไรบ้างการบริจาคก็ดีการติดต่อกับญาติพี่น้องก็ดี นั่งรถไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่อยู่ต่างจังหวัดก็ดีผลแะบุญในโลกอาคีรอไม่มีต้องการจะอธิบายตัวอย่างที่สองเอากาซูรูมาตินการงานของเขาที่ทำนั่นเหมือนอะไรนะความมืดทึบทั้งหลายซูรูมาเป็นพระหุน์เป็นความมืดทึบทั้งหลายมืดทึบยกตัวอย่างอะไรครับฟีบาฮรินบาฮรินแปว่าทะเล เอาคนที่ลงเรือคนที่อยู่ในเรือคนอยู่ในทะเลยิงคนยิงตกน้ําทะเลมาเนี่เขาใจง่ายเลยล่ะไอ้คนไม่ตกไม่รู้นหนังสือพิมพ์เมื่อสักปีที่แล้วหรือไงมีผู้ชายอยู่คนนี้าอยู่ในทะเลนอนอยู่คืนนึงก็วันนึงอะไรเนะ่ะแต่ไม่ตายนะอ่าระดับสูงระดับสูงระดับสูงนะครับนะครับฟีบาฮารินอยู่ในทะเลนะทะเลเนี่กว้างหรือเล็ก ทะเลนี่กว้างนะไม่เห็นฟังนะนี่คือว่าบาหลินนะภาษาอูรดูว่ามหาสมุทรสมุตสมุนดรอ้าภาษาใครกันแน่มหาสมุทรกับสมุนดรแต่ภาษาของไครภาษาภาษาอูรดูนะคนไทยเอามาใช้มหาสมุทรเดมันสมุนดรแปลว่าทะเลเาเอาภาษา็ยิมเขามาใช้ใช่ไหมสมุนดรฟีบหิน ความมืดของคนกาเฟส ท, ที่ทำความดีอะไรก็ตามแต่เหมือนอยู่ในทะเลทะเลแบบไหนครับลึกยีนทะเลที่ลึกอ๋อพี่น้องสังเกตย่างนี้อัลลออธิบายนะให้ใ ห, ให้ให้ท่านนาบีฟังอธิบายให้คนที่อ่านกุอ่านวันนี้ฟังว่าการงานของคนกาเฟสนั้นเหมือนอยู่ในทะเลทะเลที่กว้างแล้วก็ลึกด้วยยังไม่พออีกนะ ยาคชาหูยาคชาหูแปลว่าอะไรนะแปลว่าอะไรนะปกคลุมคลุมเขานะครับอะไรคลุมเขาพี่น้องเมายุนคลื่นเมายุนแปลว่าคลื่นอยู่ในทะเลมีคลื่นไหมมีครับมีคลื่นคลุมเขาเมายุน มีเฝ้าตีหิเมาดแล้วก็มีคลื่นซ้อนมาอีกมีแต่คลื่นคลื่นคลื่นคลื่นมืดด้วยนะหนึ่งอยู่ในทะเลก็มืดแล้วก็มีคลื่นอีกสองแล้วนะสองมืดแล้วนะมิเฝ้าตีหิและบนคลื่นนั้นนี้สหบุญมีก้อนเมฆอีกกี่มืดไปแล้วเนี่ยสามมืดมืดทีหนึ่งมืดในท้องทะเลลึก มืดที่สองมีเมฆมืดที่สามมีอะไรนะมีกลางคืนอัลลอฮหุอักบตอธิบายนะอธิบายให้ข้าใจระวังการงานงคนกลาเฟสนั้นมืดหมดเลยตการจะอธิบายว่าตัวแทนของมนุษย์เนี่ยที่ยนในบนบนนี้มนะันมีอยู่สามรายการหัวใจหูกับตาหัวใจหูตาสามอย่างนี้เป็นอะไรนะ เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในร่างของมนุษย์อลลอฮฺก็พูดสามอย่างนะ่ะความมืดมีอยู่สามอย่างหนึ่งมืดท้องทะเลสองมืดมีคลื่นมืดนี้ฝักฟ้ามีแมฆฝนอีกปกลงมายิ่งมืดใหญ่เลยต่ออาจารย์ทำการจะอธิบายว่าหัวใจก็มืดหูก็บอดตาหูหนวกตาบอดสามรายการจะนี้การงานของกลาฟเฟตที่ทํานั่นอลัลลอฮฺไม่รับสาเหตุที่ไม่รับเพราะใดนะ เพราะหัวใจของเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์ตาของเขามองไม่เห็นหูของเขาไม่ได้ยินที่เขาทำนะทำถูกหรือทำผิดเพราะไม่ได้ใช้ปัญญานี่บอกกับท่านนาบีและบอกคนที่อ่านอลาัลกุรอานอ่าดูคำแปนะ <c oughs> สภาพองคนกาเฟรตผู้ปฏิเสธประหนึ่งความมืดทึบทั้งหลายในทะเลกว้างและลึกมีลูกคลื่นซ้อนลูกคืน รักยากษ์ชาหูท่วน ม, มิดเขาจนงอหงอหัวไม่ขึ้นและบนลูกคื่นนั้นมีเมฆอโลอมีความมืดทึบชั้นหนึ่งซ้อนอีกชั้นหนึ่งหนาแน่นหลายชั้นต้องการจะอธิบายว่าคนกาเฟนนั้นงานเที่ยวกาชาบนั้นอโลอไม่รับแน่นอนเหมือนกับเขาอยู่ในท้องทะเลแล้วมีคลื่นแล้วก็มีเมฆแล้วก็มีกลางคืนมองไม่เห็นอะไรเลย ที่ทำไว้นั้นสูญหายหมดเลยนะครับเอาต่อมาครับอิจะอัคราญาดาอัคราญเอาออกมายาจามือถ้าเอามือออกมาดูเนี่ยเห็นหรือไม่เห็นลัมยากาเดยาโรฮาเขาแทบมองไม่เห็นมือของเขาจริงไหมจริงจริงขณะอยู่บนไม่ได้อยู่ในน้ำเนี่ยแค่กังคืนมาเนี่ย เอามือออกเห็นไม่เห็นไม่เห็นอันนี้มีอีกสองมืดทีแหละมืดจะคลื่นอีกมืดจากท้องทะเลอีกก็จะเห็นได้ไงกนนี่อัลลอฮฺอธิบายให้เราเข้าใจเอ่อความมืดในอาย่นี้มีสามรายการความมืดของท้องทะเลลึกและมีคลื่นความเมฆของความมืดของเมฆความมืดของเวลากลางคืนอยู่ในท้องทะเลนะครับต้องการจะอธิบายว่าพวกเขาหน้านอยู่ในความมืด ในการหลงทางหล่าลแลเพราะอะไรเพราะหัวใจของเขาไม่ยอมรับอัลลอฮ์ไม่ยอมรับอิสลามเพราะอิสลามนั่นเป็นแสงสว่างเพราะอัลลอฮ์นั่นคือแสงสว่างกุณอ่านตรงหน้าที่มราอ่านผ่านมาใช่ไหมอัลลอฮุนุรุสมาวะติวัลอัลลอฮ์เป็นเจ้าของแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นรัศมีด้วยและอิสลามนี่เปรียบเสมือนดวงตะเกียงแล้วตะเกียงนี้อยู่อะไรคุมนะโคม แก้วคุมอยู่แล้วก็ไฟอะไรแต่มันจุดประทังสมัยนบีอดาดัมผ่านนบีนัวอิบรอฮิมผ่านนบีมุ h a ม m a d ตะเกียงดวงนี้มันยังลุกจ้าสว่างมีคนรับนับถืออันอิสลามอยู่ตลอดทุกปีตลอดทุกวันใช้น้มันอะไรคำอธิบายก็คือยูกกดูมินชาญรอตินมูบารอกตินไซตูนะน้ามันที่ถูกจุดใช้ตะเกียงน้มันนี้คือใช้น้ามัน ไจตูนมาจากต้นไม้ทีมีบารากัตต่อการอธิบายยังไจตูนอีกว่ามุสลิมกับน้ำมันไจตูนตกงผูกพันกันนะน้ำมันไจตูนเ า, า, เ, อ า, าเอามาทาตัวดูสิแข็งแรงหมดเลยแต่ต้องนวดนิดๆ น, น, นะนวดด้วยอนามันทาด้วยใส่ผมใส่หน้าอัลลอฮ์อักบาด์ทำให้แข็งแรงฉะนั้นโอลมาในอินเดียเนี่นะยนะเขใช้น้มันไตูนกันเราก็นั่งมองดู น้ำมันมากอกทําไมอ่ะเขาเดินตามคุรานกันพวกเราในชาติน้ำมันมันอะไรมันมะพ้าวมันถูกตามดีนะแต่น้ำใจตัวนี่มันแพงนะท่านจะเอามากินด้วยเอามากินเนี่ยจิ้มขนมปังแล้วก็เอ า, เอามาทาตัวทาผมทาหน้าแล้วก็นวดด้วยนะหล่อ อ, อกักบัตแข็งแรงลองทําดูนะครับ ว่มันลำยัจอัลลอฮุลาหูนูรและผู้ใดที่อัลลอฮ์ไม่ทำให้ให้เขามีแสงสว่างว่มันลำยัจอัลลอฮุลาหูนูรและผู้ใดที่อัลลอฮ์ทำให้เขาไม่มีแสงสว่างอธิบายยังไงครับ ใครก็ตามที่ไม่รับนับถืออลัลอิสลามใครก็ตามที่ไม่ได้รัศมีจากอัลลอฮ์ฟามาลาหูมินนูดคนคนนั้นจะไม่มีรัศมีอีกต่อไปคือรัสมีของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้อยู่แล้วนะแต่ตัวเองไม่เปิดจะรอให้อัลลอฮ์เปิดก่อนใช่หรือไม่ใช่อัลลอฮ์ Allah นะ่ยพร้อมที่จะเปิดอยู่แล้วนะแต่ส่วนใหญ่นี่ ไม่เปิดตัวไม่ไม่เปิดใจตัวเองเพราะเปิดใจตัวเองปั๊บนี่นะอัลลอฮ์อัลลอฮ์ลลจะให้รัศมีมา ท, ทันทีฉะนั้นรัศมีของอัลลอฮ์เนี่ยยิ่งใหญ่มากฉะนั้นต้องสแสวงหาแสงสว่างจากอัลลอฮ์ให้ขอดูอานะพี่น้องเคยอ่านดูอาออกจากบ้านมามัสยิดเปล่าขอดูอาให้มีรมัศมีดูอามีรมัศมีขอดูอาแบบนี้นะครับจากท่านอิบนาบบัสอดีลลอฮ์อับบนหุ ขอดูอานะให้อัลลอ์ได้ประทานรัศมีขึ้นที่หัวใจให้ขออย่างนี้อั um oh, ลลอฮุมม่าญัลฟีกอลบีนูรอนโอ้อัลลอ์โปรดให้รัศมีนั้นเกิดขึ้นที่หัวใจของฉันตอนเดินออกจากบ้านมามืสวิทว่ฟิลิซาณีนูรอนให้ลิ้นของฉันมีรัศมีว่าญัลฟีซัมไอนูรอนให้หูของฉันมีรัศมี วัจจันฟีบอสอรีนูรอนให้ตาของฉันมีรัศมีวัจจันทฟีคลฟีนูรอนให้รัศมีเนี่ยเกิดข้างหลงังของฉันวัจจันมินอามามีนูรอนให้ข้างหน้าของฉันมีรัศมีวัจจันมินเฝ้าตีนุรอนให้ข้างบนเนี่ยศีรษะของฉันนี่มีรัศมีว่ามินตัทธีนูรอนให้ข้างล่างของฉันเนี่ย ใต้เท่าของฉันไม่มีรัศมีอัลลอฮฺฮุมะตีนีนูรอนโอ้อัลลอฮฺโปรดทำให้ฉันโปรดประทานรัศมีให้แก่ฉันขออุอาครับแล้วขอจากใครสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆได้ไหมไม่ได้เจ้าพ่อเจ้าแม่ทชนะใช่ไหมไม่ได้หาขอจากอัลลอฮฺองเดียวฉะนั้นควรจะท่องอุ ד อาบทนี้นะเป็นฮุจูฟิมานบุคารีกับมุสลิมขออุอานะครับแต่ผมผมท่องอีกอีกจานวนหนึ่งผมท่องอย่างงี้ a l l a h u m อ a jana fi kalbino run wa fi s a น b i r น n wa น i n fauqi run wa min tahti run wajjan ไม่มีมันมีอยู่สองสามจำนวนท่านรัศมีต้องขอจากอัลลอฮ์ครับฉะนั้นคนที่หลงทางแสดงว่าคนคนนั้นรัศมีของอัลลอฮ์ในใจของเขาไม่มีฉะนั้นใครที่รับอิสลามนับถืออัลอิสลามแล้วก็ยืนหยัดอยู่กับอัลอิสลามอยู่กับสุนานะบีอยู่กับอัลกุรอานอยู่กับ إيمان ต่ออัลลอฮ์แสดงกัหัวใจความคุนั้นมีรัศมีอัลลอฮฺอักบาร์แต่นี้อุลมามะอธิบายอีกนบีอธิบายอีกอุลมามะอธิบายอย่างนี้นะครับคนกาเฟสเนี่ยเดินอยู่ในความมืดหรายการคนกาเฟสนะรายการที่หนึ่งฟากาลาโมฮูซุลมะคําพูดของเขานี่นะมืดอธิบายยังไงคําพูดของเขาที่ออกมาจากปากของเขานี่มืดหมดเลยอธิบายยังไงครับ พราะเขาไม่เคยเชิญชวนคนให้รู้จักอัลล์มุสลิมก็เหมือนกันเป็นมุสลิมแต่ไม่เคยออกจากปากตัวเองว่าอัลลอ์มีองค์เดียวนะมาศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะมาทาความดีกับอัลลอฮ์ทมุสลิมไม่พูดนะทำตัวเป็นคนกาเฟสคำพูดของเขาก็ไม่มีบรรลักษเรื่องที่สองกับว w ามาล a l ู h ูลมะการงานของคนกาเฟสนั้นมืด อธิบายนะครับคือการงานที่มยโยมกับอัลลอฮ์อ้าวกินน้ำสกเกตการกินน้ำนะดื่มน้ำมุมินกับคนกาเฟด่ดื่มน้าเหมือนกันไหมเหมือนกันครับแต่วิธีดื่มไม่เหมือนกันคนมุมินก่อนจะดื่มน้ำจับแก้วน้ำด้วยมือขวาแก้วมือซ้ายไม่จับนะเพราะนบีสั่งอ่ะลาตะกูลูบิชีมาน ยากกินน้ำด้วยมือซ้ายฝ่าย อ, อินทร์ใส่ตอนนายากรูดบิสมิลลาห์พอใส่ตอนกินน้ำด้วยมือซ้ายคนกาเฟ่เอาอักษรใส่ตอนใบชาหมดเลยกินน้ำด้วยมือซ้ายบ้างขวาบ้างจะยืนกินก็ได้ด้วยใช่ไหมแต่มุหมินไม่ได้ต้องจับแก้วด้วยมือขวาแล้วก็อ่านบิสมิลลาห์ก่อนดื่มน้าเห็นไหมต่างกันไหมแล้วก็อักษรของนบีสอนว่าเวลาดื่มน้ําให้ดื่มไม่เกินครั้งแรกกอึกสามอึก หนึ่งอึกอสองเอื้แล้วก็ถอนหายใจอีกครั้งหนึ่งแล้วดื่ ม, มใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ห้ามหายใจในขณะดื่มน้านี่มารยาทใช่ไหมฉะนั้นการงานของเขาเนี่ยมุ่ un, человек, okay? นมามืดแต่การงานของโมเมนเป็นไงครับไม่มืดครั Pac, 2, บเพราะโยงกับอัลลอฮ์แล้วก็โยมกับสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดสุลัยอุมะสลัมต่อมาครับมัตดะขอลูฮูมุลมาทางเข้าของเขาก็มืดทางเข้าอธิบายไงเพื่น้อง ทางเข้าสุสานทางเข้ากุโบอะอดูสิไปน้องคนมุ่งมินในเวลาตาให้ทำกี่อย่างสี่อย่างหนึ่งอาบน้ำใช่ไมอาบสเปสสปะก็ไม่ได้ต้องอาบตามที่นบีสอนหอผ้าสเปสสปะได้ไหมไม่ได้ต้องหอตามที่นบีสอนมานามาตักบี้กี่ครัง้งสี่ครั้งตามที่นบีสอนแล้วก็พาพาไปฝังตามสุนัานาบีตลอดมาจาคอลูฮูคน การคนมุดมีนตายข้างเข้าขกิโกโบของเขาสงา่างามแต่คนกาเฟตไม่สงา่างามครับโอ้โหเห็นไหมถึงนึกถึงอบูอบูแลครับเป็นหัวหน้านะ <c oughs> ปรากฏว่าตายคนเดียวพอตายคนเดียวเสร็จแล้วก็เป็นฟีดาดพอตายแล้วก็ตายคนเดียวแล้วก็กิ่นเหม็นสามสี่วันแล้วเนี่ย มรากฏว่าอา้าวลูกมามาเจอพ่อนอนตายอยู่ทำไงรู้ไหมจ้างคนเนี่ยมาหิว้วไปวางไว้ที่พื้นแล้วก็จ้างคนขุดหลุมสีรายการที่อัลลอสั่งให้ทำามาไลยทำทำไงรู้ไหมเอาไม้นี่น่ะเค ล, ลียลงหลุมเสร็จแล้วก็เอาทรายกบอย่างเงี้ยมาตคขนทางเข้ากูโบเข้าสังงานงาไหมไม่สัง่านงามี่ไงต้องการจะให้เห็น ของมุสลิมนั้นสง่าง า, ามถึงจะจนแค่ไหนเขาก็เอาสุนานขน่มมาดีมาใช้นะครับต่อมาครับว่ามาก์รายููซุลมไหทางออกของเขาก็มืดไอ้ตอนฟื้นจากหลุมฝังศพนะมืดนะตาบอดด้วยนะแต่มุมุมินไม่ใช่อย่างนั้นครับเวลาฟื้นในวันเกียร์มามีมาไลกาจูมือขึ้นมาจากหลุมฝังศพโอ้โหทำอยู่นี่แหละและอายุเท่าไรสาตอนตายอายุเจสิบ แต่ตอนฟื้นเท่าไรส3สนี่เป็นภาพมัจะภาพลวงตานะมันภาพจริงๆทั้งหมดต่อมาครับว่ามัสยิรุหูยามัลกิยามาจะอิลลูลูมาตอิลนาดแล้วก็ช่วงสุดท้ายในวันเกียรมะความมืดทึบทั้งหลายซอนเขาซ้อนเขาจงสู่นรกทั้งหมดฟื้นขึ้นมากลับไปสู่นรกของอลัลลอฮสุบฮานะฮูวะตาลามอยูห้าดการคนกลับไปอ มุสลิมกำลันการแต่ห้าแต่สว่างหมดเลยนะคำพูดของเขาของมุมินเป็นคำพูดที่มีนู่เพราะอะไรเพราะเขาพูดไม่โยมโยมกับอัลลอ์ตลอดเวลาพูดให้คนมีอีมานเตือนลูกให้รักอัลลอ์ให้นามาทห้อ่านิกรานนี่ภาษาที่ออกไปจากปากของคนคพูดศรัทธาเป็นรายการที่ดีทั้งหมดเลยนะครับอต่อมาครับ ว่าลลมยัจอาลิลาหูลาหูนุรันฟะมาลาหูนูถ้าอัลลอไม่ให้รัศมีกับใครนะที่ไม่ให้เนี่ยจะโทษอัลลอฮ์ไม่ได้นะแสดงว่าเราไม่ต้องการเองเพราะกุรอานให้มาแล้วให้นบีมาแล้วให้ความรู้มาแล้วอ่านหนังสือได้ทุกเล่นแต่ยกเว้นกุรอานฉันไม่อ่านเพอะไม่อ่านก็เป็นอย่างงี้นะนะครับเอาต่อมาครับ เขบอกว่าหัวใจของคนกาเฟสเนี่ยมีสามมืดหนึ่งรุ่มาตุเชกเกหัวใจของคนกาเฟสที่ว่ามืดเนะพราะอะไรนะเพราะทำชิริกอ่ามุสลิมก็เหมือนกันนะชอบไปหาโตตะเกียนะแล้วกว็รุลมาตุลมาซีทำทรยศต่ออัลลอฮ์นี่ความมืดทั้งหมดนะครับแล้วกว็รุลมาตุลไลลิและความมืดในเวลากลางคืนสมืดนี้ ทำให้ต <S ess> ัวเองนั <S <S <ess> ้นอยู่ห่างจากความเมตตาของอัลล์ ه และ تعالى อัลฮัมดุลิลลาอ่าที่41ครับโอ้อัลล์อธิบายดีนะเข้าใจง่ายอัลฮัมดุลิลลาอลรอนะลอฮยุับบิลฟิสมวาติวัลอรดวตรุฟต กุลุ่มก็ด้วยอัลลามาสัลลาต้าห์วะทัศบิฮะวะลลล ไปรซอฟัตคุลุมคดอาลิมา ص ل ا าทั้วและศิบิฮะวัลลาฮุอาลิมุมบิมายัฟกลุนอัลลอฮุอะกัยฮ์วะ อัลลัมตอรอคำแปลก็คือนบีมุฮัมมัด อ, อัลลอฮ์ประธานคุณอานลงมาให้กับท่านนบีบอกกับ น, นบีนบีเนี่ยเคยไม่เคยสังเกตบ้างหรือไม่เคยพิจรารณาดูบ้างหรือหรือคนที่อ่านกุณอานเนี่ยเคยสังเกตไหมไม่เคยพิจรารณาบ้างหรืออลัลลอฮ์ะแท้จริงอัลลอฮ์ยูซาบิฮูลาหูมัมฟิสซามาวะติวัลอาร์ด ยูซาเบียบอกว่าเอียงสะดุดีนะครับลาหูผู้ที่อยู่ลาหูแปลว่าสะดุดีกับอนะัลลอ์น่ยมันผู้ที่ฟิสามาอยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและผู้ที่อยู่ในแผ่นดินสองชั้นฟ้ามีอะไรอยู่ชั้นฟ้ามีมลาอิกาอยู่ บรรดาอัลนบีวิญญาณอยู่ข้างบนหมดเลยใช่หรือไม่ใช่วิญญาณของมนุษย์คนดีอยู่ข้างบนหมดวิญญาณของคนชั่วอยู่ที่ไหนสินยืนใต้ดินหมดอยู่ข้างบนนี่พี่น้องเขาสารเสริญอัลลอฮฺสตุดีอัลลอฮฺเคยเคยสังเกตไหมสอนให้นึกรัศมีดวงจันทร์ดวงดาวเนี่ยรัศมีจากใครจากอัลลอฮฺเคยเห็นไหมเคยสังเกตไหมอัลลอฮฺเตือนนบีให้คิดเตือนพวกเราให้อ่านกรุรอานให้ใช้ปัญญาด้วย แล้วต่อมากับวัลอาดีแผ่นดินแผ่นดินมีอะไรบ้างอะ่ะมีคนใช่ไหมมีสัตว์มีต้นไม้มีของแข็งแล้วก็มีอะไรนะ่ะมียินมีมนุษย์คนเหล่านี้ทั้งหมดเหล่านี้สารเสริญต่ออัลล์ทั้งหมดใช่หรือไม่ใช่ใช่อัลล์เล่าไว้ก่อนนฉะนั้นต้นไม้ก็สารเสริญอัลลอ์สัตว์ก็สารเสริญอัลลอ์ สะดุดีสรอแสงต่ออัลลอฮฺยินก็มีของแข็งก็มีภูเขาก็มีสารเสริญต่ออัลลอฮฺหมดต้องการจะเปิดให้นบีให้คนอ่านคุอานเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะอยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสารเสริญมสอแสงสะดุดีดดต่ออัลลอฮฺหมดเลยครับแต่วิธีสารเสริญไม่มีใครรู้วิธีสารเสริญของมันไม่มีใครรู้ทั้งนั้นเอง คมว่ากบารบเนี่ยสาเสือน่ตอนฝนตกน่ะมันรองไงนะกรอบเรื่องอะไรเอืงอางอ่ะอืองออบอับว่าเฮ้ริม right. ริมบางีเจะเรียนบ้านเราใช uh, ่ไสังเกตไมาได้ย <tous S 2> <sek> ังไงอ่ะต้นไม้กันเหมือนกันเวลามันร่วงกันมามึงร่วงอย่างมีอยู่พันอยู่พันมันร่วงหมดเลยทั้งทั้งโลกเลยนะนี่สาเสอรอดหรือเปล่าถ้าไม่เราคิดใช้ปัญญาเอาต่อมาครับ วต อ, อยรูและนกเอ้าททำไมอลัลลอ์มาพูดวต อ, อยร์ต่างหากอุลมามะอธิบายดีนะทำไมอลัลลอ์มาอธิบายตังหากวต อ, อยรูและก็นกซอฟาตินที่แผบปีกที่บินอยู่ในอากาศเนี่ยทำไมอลัลลอ์พูดเรื่องนกเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้ด้วยต้องการจะให้คนทั้งหลายเนี่ยได้เข้าใจว่าคนที่กราบนกมีไหม ในอินเดียเนี่ยชั้นหนึ่งเลยแหละกาบนกยุงอกาบนกยุงแล้วใครจับนกยุงไม่ได้ด้วยใครเขามีกลุ่มหนึ่งนะเขาบูชานกยุงใครยุ่งกับ น, นกยุงไม่ได้นะ่ะถูกจับเลยนะ่ะเป็นสัตว์ประเภทเ ด, เดียวที่ห้ามยุง่งห้ามแตะวัวก็เหมือนกันอในอินเดียเนี่นะวัวเนี่ยห้ามบูชากันหมดแต่อล่อไม่เอ่ยวัวอ้วกเอ่ยเ อ, เอ่ยนก เพื่อให้พวกเราได้ใช้ปัญญาฉะนั้นอย่าไปกาบนกเพราะนกนั้นเป็นมรคลูกที่อลัลลอสร้างมาแล้วก็นกนี่ในสมัยนบีอะไรนบีสุไลมานใช่หรือไม่ใช่อ่าเย้ไหมทิขา้าบอะไรต่อะไรไปอัลลอฮฺเตือนให้คิดใช้ใช้ปัญญาส่งสารไปให้ผู้หญิงอะไรอะอะบิลบิเตสนะของนบีสุไลมานเนั่ยแม่ไปโยนไว้แบนี้เป็น นักสื่อสารที่ดีที่สุดัลฮัมดงละาอัต้อยนกนกเป็นไงครับซอฟตินนกที่แพ่ปีกเวลามันบินอยู่บนกลางฟ้าเนี่ยตามหลักวิทยาศ า, าศาสตร์เนี่ยของหนักๆต้องตกถึงพื้นใช่หรือไม่ใช่หนักสักกิโลสองกิโลต้องตกถึงพื้นหมดอลองไปยื่นขึ้นบนหลังคามาสัสยิดเนี่ยเเอาแก้วรวนลงมาถึงหมถึงพื้นหมด แต่ทำไมนกหนักกิโลกว่าทําไมไม่ตกถึงพื้นอลัลลอฮ์ต้องการจะบอกว่าอาลัลลอฮ์พยุงเอาไว้ไม่ให้ร่วงลงมาไม่ใช่นกทําเองนะอลัลลอฮ์ต้องการจ ะ, สะแสดงความสามารถให้มนุษย์เห็นแบบสร้างนาบีอิสราผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อต้องการจะโชอีสาหรือโชวอลัลลอฮ์โชวอลัลลอฮ์ไม่โชว์นบีอีซานี่ก็เหมือนกันให้นกมันบินได้ไม่ตกมาบนพื้นต้องการจะโชวความสามารถของอลัลลอฮ์ให้มนุษย์ได้เห็น บริหารจัดการของ อ, อัลลอฮอย่างไรบ้างอันนี้เป็นต้นนะต่อมาครับกุลุงก็ดาลีมลาซาเลตฮูวะทัสบีฮะแน่นอนทุกทุกกุลระบทุกทุกจะเป็นทุกทุกคนก็ได้ ทุกๆสิ่งก็ได้หรือนกทุกตัวก็ได้หรือสปปรรพสิ่งที่อยู่บนโลกดุนยาทั้งหมดก็ได้เปน้องตีความหมายได้หลายอย่างนะก็ดะรีมารู้นะครับทุกคนเนี่ยต่างรู้สวดภาวนาสอลาตูแปลว่าการนามาสาทุกคนเนี่ยรู้วิธีนามารกับอัลลอ์ทุกสิ่งทุกอย่างรู้วิธีการสวดภาวนาเข้าใกล้อัลลอฮ เอาลอดให้แต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นไม่เหมือนกันการนมาฏของมนุษย์มีอยู่สามสามท่าหรือสี่ท่าหนึ่งท่ายืนสองท่ารุกัวสามท่าสูญสี่ท่านั่งมีอยู่สีท่านี่ของมนุษย์นะแล้วของนกมีอยู่ท่าเดียวมึ่งท่าอะไรนะท่าบินแล้วก็ท่าหูปีกมีอยู่สองท่าไม่มีสูญไม่มีรุกัวแต่ของมนุษย์มีอยู่สี่ท่าท่ายืน ท่าุกโ ค, โคง้งท่ากราบแล้วก็ท่าอะไรนะท่านั่งเขาเรียกว่า i n เ e r n a t i o n a l สามคนเลยอ่าในโลกเนี่ยคนที่กราบแบบโคง้งโค้งแบบญี่ปุ่นมีไหมอ่าโคง้โคงโกมหัวลงมากราบแบบอ่ามีเมืองไทยเยอะพะมา่าใช่ไหมญี่ปุ่นอ่าญี่ปุ่นท่าโคง้งแล้วก็ท่ากราบแล้วท่ายืนมีไหมมี พวกฟรัังยืนอย่างเดียวเนี่ยมายืนให้เกียวเรื่องก้มกราบไม่มีใช่ไหมของเรามีทั้งสี่รายการเลยนั่งก็มีโค้งก็มีกราบก็มียืนก็มีอันไหนจะอินเตอร์มั่งก็กันอันนี้เราคุยข้าๆตัวเองกันนะอย่า <laughs> งนี้อิสลามอัลลอฮ์ชั้นหนึ่งแลยครับมาจากอัลลอ์น่ะ กุ้ลลุ่นทุกสิ่งทุกอย่างก็หาลิมารู้สอดาตหูการสวดภาวนาหรือการนามาตของเขาวตัตสบีหะหูและการแ ส, สองสะดุดีเขารู้สัตว์แต่ละอย่างรู้มนุษย์ก็รู้จะจะทำหรือไม่ทำอีกเรื่องหนึ่งเห็นไหมสังเกตนะทีนี้อเลตองการจะอธิบายว่านกเนี่ยดีกว่าคนอ่ะ ใช่ไม่ช่นกมันสุญูด ต, ตอลอเนะ่ะนกมันมามาตตลอดนะ่ะมันกลางปีกนะมันไม่เคยมันไม่เคยทําหน้าทีมันทําหน้าที่มันครบหมดเลยนะ่ะแต่มนุษย์ต่างหากอยูยยดตายยอดตลอดนะสั่งให้สุญูดไม่สุญูดสั่งให้รุกวรัว้วนไม่รุกล้วนสั่งให้ยืนไม่สุญูดน่ะะท่านใครดีกว่ากันครับอุลามะอธิบายว่านกดีกว่าแล้วก็บางสิ่งบางอย่างนะต้นไม้ก็ดีกว่าคน บางครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งนบีกําลังนำอ่นอ่านคุตบ่าวอยู่วันศุกร์ก่อนหน้านี้นบีใช้ต้นไหนนะขอนไม้เนี่ยยืนอ่านคุตบะาวในมัสยิดอ่านอยู่ไม่กี่ครั้งหลังแล้วต่อมามีผู้หญิงมุสลิม่าคนหนึ่งเนี่ยทํามิมบัตให้ท่านนาบีมาแทนนบีกมาาม็มาใช้มินบัตใหม่กําลังอ่านคุตบ่าวอยู่วันศุกร์ขอนไม้อันนี้เนี่ยมันสัน่นร้องไห้ด้วยสั่นด้วยร้องด้วย ทุกคนในมัสยิดเดนเห็นเห็นเหตุหการณ์หมดเลยนบีก็เดินลงมาจากมิมบัตแล้วก็มากอดอย่ารองนะอย่าเสียใจนะทุกคนมองนบีหมดเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าขอานไม้หายไปไหนไม่มีใครรู้ว่าหายไปไหนด้วยตําราจะอธิบายยังไงขอนไม้อันนี้นะร้องให้นบีเคยช้ายอยู่สองสามครั้ง และต่อมาณาบีไม่ได้ยืนอ่านคุณบอเสียใจอา้าต้องการจะอธิบายยังไงขอนไม้อย่างเสียใจเลยที่ณบีไม่ได้ใช้แล้วก็คนล่ะมีใครเสียใจบ้างไหมที่ฉันไม่ได้ได้ยินคําสอนของท่านณบีไม่มีใครเสียใจเลยใช่หรือไม่ใช่ใชต้องการจะอธิบายว่าขอนไม้บางครั้งก็ดีกว่ามนุษย์เหมือนกันนกก็เหมือนกันบางเวลาก็ดีกว่ามนุษย์อีก มีตัวตนเป็นข้อคิดครับฉะนั้นอรลเด้กล่าวเรื่องนกไว้ต่างหากเพราะนกมีคนบูชาเยอะนะครับยิ่งในอินเดียเนี่ยโอ้บูชานกนะชั้นหนึ่งเลยนะพี่น้องพวกเราก็าบูชานกเขาใช่หรือไม่ใช่ไม่เรียกบูชานะเรียกว่าไร น, นะเลี้ยมนกเขาจนกระทั่งมาดายนาสมามไหมมีอืม Allahu a ي م m ب ี ما يفعلون ละอัลลอทรงอัลีมว่ารู้รู้แบบละเอียดนะบีมา يفعلون ที่พวกเขากระทำอัลลออยู่บนบาลังของอัลลอแต่ความรู้ของอัลลอฮนั้นอยู่ทุกหนทุกแห่งทรงเห็นทุกหนทุกแห่งนะครับแต่จะยินทุกหนทุกแห่งนี่เป็นอัีดาของชาวสลักนะครับอัลลออยู่บนบลังนะครับ นั่งอยู่บนบลลังบริหารจัดการโลกดุนยาไปนี้นแต่เพียงผู้เดียวอัลลอฮเห็นแล้วก็ได้ยินแล้วก็รู้ทุสิ่งทุอย่างว่ามนุษย์จะทำอะไรก็ตามอัลฮัมดุลิลลาพี่น้องครับอัลลอบฺตรมาพูดเรื่องชีริกเนี่ยเรื่องใหญ่มากนะอืออาต่อมาครับอายาที่สี่สิบสองสี่สิบสามคงไม่ทันแล้วนะ ว ล, ลิลาหิมุลกุสสภาวะติวัลอาร์ว่าิลลอห์ลมาซิรอุลมะอธิบายอย่างนี้นะมนุษย์เนี่ยส่วนมากเนี่ยเยอะยิ่งจองหองหลงทางไม่รู้ว่าอัลลอ์คือใครนกกับมนุษย์ ใครจะนึกถึงอัลลอฮ์มากกว่ากันอุลมามะอธิบายเป็นภาษากรุดูนะบอกว่านกคิดถึงอัลลอ์เก่งกว่าอัลลอ์ปฏิบัติตามอัลลอ์มากกว่ามนุษย์เพราะมนุษย์มันมีอยู่เจ็พันล้านเนี่ยที่ชุกดอัลลอ์มีอยู่เท่าไหร่สองสองพันล้านเอว่าสองพแล้วก็พันล้านอีกห้าหพันล้านเนี่ยล้ไม่เรนเพราะคุณอัลลอ์เลยจะนกทั้งหมดในโลกนี้ชุกช ต, ตลอดตลอเวลา วลิลาห์มุลคุสส์สกาตนะิ be hm u, َแลَ ا ัลลอฮ์ไว ah hm ้ลลาห์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลออัลลลลอฮ์อัละอ์อันลองอลลอฮ์อัลลอฮ์อลลอฮ์อลลอฮ์อัลลองอัลลอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลออัลลอัลคอฮ์อัลาอฮ์อัลลอฮดอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอา์อั้ลอฮอัลลอฮ์อัลอฮ์ัลลอฮ์ั เป็นของอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยบนชั้นฟ้าวัลอาดีแผ่นดินทุกหนทุกแห่งทุกตารางนิ้วเป็นของอัลลอฮ์มีใครกล้าพูดแบบนี้มันไม่มีไหม <c oughs> เรามีที่อยู่งานเดียวอัลลอฮ์นอนยิมสบายอกสบายใจเนี่ยอัลลอฮ์คุยนะบนชั้นฟ้าเป็นของฉันบั้นแผ่นดินเป็นของฉันในระหว่างทั้งสองฉันดูแลแต่เพียงผู้เดียวฉันเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว เนี่ยเลกทำาชื่อเด็กได้แล้วนะว้ละลอฮิลมัสซดและยังอัลลอิละลอหมายถึงยังอัลลอ์อัลมาซิดแปลว่าจุดหมายปลายทางที่กลับของทุกคนนั้นต้องกลับไปหาอัลลอ์สุบฮาราทุกคนอธิบายยังไงทุกคนต้องตายตายแล้วต้องฟืน้นฟื้นแล้วก็ต้องไปยืนอยู่ต่อหน้า อัลลอฮฺสุบฮานาหูวะอันนี้เป็นเรื่องจริงตั้งห ม, ม่ใช่เรื่องเท็จเรื่องจริงหมดเลยทุกคนมีเป้าหมายสำหรับชีวิตครับฉะนั้นสซยดน า, ท, านท่านบิลลอาบูฮูระ้อหลายตอนหลายคนเนี่ยผมอ่านฮัาดิสเนี่ยพบว่าพอตอนจัตายเนี่ยเคาร้องไ ห, ห้กันเคาร้องไห้กันนะกำลัอองหันหน้ามาทนงะลูกละหันหน้าเข้าเข้าเข้ า, ข า, ขาขฝาแล้วก็ร้องไห้ พอหายร้องก็หันหน้ากลมาลูกถามพ่อพ่อร้องทําไมแขกมาเยี่ยมบาร้องทําไมกกลัวตายเลยไม่กลัวกลัวจนเลยไม่กลัวจะกลัวอะไรกลัวอย่างงี้เขาว่าอัสว์ฟัดตวีลุนระยะทางเดินทางเนี่ยมันไกลว่จาจดูแต่สเสบียงนั้นมันน้อยกลัวตรงนี้ระยะเดินทางเนี่ไกลแต่สเสบียงที่พาไป น้อยเขาอธิบายว่าตายแลรออยู่ในกูโบฟื้นขึ้นมาต้องทานทุ่งมาชัดอีกหกเจ็ดรายการเนี่ยจนกว่าจะเข้าสวรรค์นเนี่ยอีกนานเหลือเกินไอสเสบียงที่พาไปนี่มันน้อยนิดกลัวว่าไปหมดกลางทางแค่ไปเที่ยวพัทยาเนี่ยไปเช้ากับเย็นเนี่ยยังพาข้าเหนียวห้ากิโลเนื้อทอดอีกสี่กิโลใช่หรือไม่ใช่ ทอดไปปิ้งไปห่อไปบนรถนะแค่ไปเช้าเย็นกลับเนี่ยไปปิกนิก น, น่นั่งชายทะเลเนี่ยขเหนียวห้าโลเนื้อทอดเจ็ดโลแล้วอาคิร่าราเตียวอะไรบ้างไปนอนน่าคิดครัค่ด้านไวอิลลอฮิลมาซีที่กลาบของมนุษย์ทุกคนนั้นที่อัลลอฮ์กลับไปหาอัลลอฮ์หมดสิ่งอื่นช่วยไม่ได้ อัลลอฮ์พี่น้องฉะนั้นทุกคนต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ฉะนั้นต้องมีรัศมีบนโลกดุลยายเบรนี้วิธีหารัศมีมีอีมานคือรัศมีหาความรู้ผ่านอัลลอฮ์เป็นรัศมีพอมีอีมานกับอมัมมนมีอีมานกับความรู้แล้วนะแล้วก็มีอัมมันที่ซ้อและสางงามไหมอัลลอฮ์ إيمان อัมอมันที่ผ่านอีมานกับอัมมันที่ผ่านความรู้ผ่านกุ้งอ่านภ่านสุนานะนาบีเป็นอัมมันที่ซอและหมดเลยละฮามูริลลาฉะนั้น ขอดุอาต่อหรอผมอยากให้พี่น้องอ่านดุอาเข้ามัสยิดนะก่อนเข้ามัสยิดน่ะเดินมาจากบ้านขับรถมาก็ได้อัลลอฮุมาอะไรอัลลอฮุมะจัลนีกอลบินุรอนวาฟีซามัยนุรอนวามิงฟัลกีนุรอนวะตัดตีน y รอนวายามันยาเมนีนุรอนชิมาลีนุรอนอามามีนุรอนวาบาอีนุรอนวะตัดตีน l รอนอัลลอฮุมะจัลฟีนุรอนวาอัซิมลีนุรอนวาคัมเบลีนรอน Kau doa, hai kotwo ek, hai mih rasa mih kakak. Subhanallahumma wa bihamdika. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.